เวลาเราได้ยินเสียงของพ่อของแม่พูดอะไรเราก็จดจำเอาไว้การจดจำนี้ก็เรียกว่าสัญญาพอเราได้ยินเสียงพ่อแม่พูดคำนั้นคำนี้เราก็จาความหมายได้แล้วเราก็มีความรู้สึกต่อความหมายของเสียงนั้นเช่นเวลาเสียงที่พ่อแม่พูด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 เกิดมาก็ไม่ต้องลำบากเกิดมาก็ได้เที่ยวต่อเลยพ่อมีเงินเที่ยวพ่อแม่จะพาท่องเที่ยวพ่อแม่ไปไหนก็จะพาลูกๆไปด้วยนี่เกือหนีสงของการทำทำทานและการรักษาศีลห้าจะทาให้เวลาจิตใจตายร่างกายตายไปแล้วจิตใจจะได้ไปเป็นเทวดาขั้นต่างๆ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 และสวรรค์ชั้นพรมโลกนี้สูงกว่าดีกว่าสวรรค์ชั้นเทวโลกเพราะว่าสวรรค์ชั้นความสุขระดับเทวโลกกับความสุขระดับพรมโลกนี้ต่างกันมากคนละระดับกันถ้าเป็นแบงก์ก็เหมือนกับแบงก์ร้อยกับแบง์ห้าร้อยหรือแบงก์0ันมีคุณค่าต่างกันมากถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าระดับของเทวดาก็ต้อง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 ถ้าต้องสัมผัสแบบของเก่าๆซ้ำซากก็จะเบื่อถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ดีวิเศษขนาดไหนก็ตามเช่นอาหารอาหารจานโปรดที่เราชอบรับประทานถ้าเราต้องกินจานโปรดนี่ทุกวันวันละสามเวลานี่จะดูซิว่าจะกินได้สักกี่วันไม่นานมันก็ต้องเบื่อเพราะมันจําเจมันทินชามันไม่ได้ให้ความรู้สึกเอ่อ สนุกสนานหรือมีความเปืป้อเปรติมีความยินดีแต่อย่างใดนี่คือเงื่อนไขของการหาความสุขผ่านตาหูจมูกเลี้นกายซึ่งเป็นความสุขระดับของเทวดาแต่เงื่อนไขของการหาความสุขระดับธมโลกระดับอสมาธินี้ไม่ต้องมีอะไรมากขอให้มีที่ว่างๆสงบสงบไม่มีเสียงไม่มีใครมารบ ก, กวนและให้มีสติ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 จิตใจของเราให้ขึ้นไปเหนือสวรรค์ชั้นโผมไปสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าเราก็ต้องฝืนความอยากต่างๆอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มแต่น้ำเปล่าๆดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อตันหาความอยากการดื่มหรือการรับประทานอะไรเพื่อให้เกิดความสุขทางใจนี่เรียกว่าเป็นการทำตามตันหาความอยาก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 เป็นความทุกข์เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วจะไม่สามารถเสพได้เพราะร่างกายนี้มันจะต้องแก่ลงไปได้เรื่อยต่อไปหูก็หนวกตาก็จะบอดต่อไปก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาหูจะบุ๋มเนื่องกายได้แล้วเราจะไปหาความสุขอะไรถ้าไม่มีความสุขเราก็จะมีความหิวโหวยใจก็เลยจะกลายเป็นเปรตไป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 ถ้ารู้แล้วก็จะทำให้เราปฏิบัตินำเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องทำให้เกิดแต่ประโยชน์สู่กับจิตใจของเราเพียงถ่ายเดียวคือพาให้เราได้ไปดุจพ้นสู่ดุจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดหนักเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรันตสาวกทั้งหลายได้ดาเนินได้ดุจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ในสวรรค์ชั้นนิพพาน ที่มีแต่บรมมาสุขไปตลอดไม่มีวันทิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิตตินงังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิดป้าเมวะสมมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามมณิโชติอาระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวโตอันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนสีฤทธาฤทธิังวุธาปจายโนจัตตารุธรมาวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้ไม่ไ้ไปตีเาใช่ไหมค่ะเพื่อนทำใช่ไหมแบบพักพานั่นแหะเห็นมา ถ้าเราคิว่าเราเห็นหน้าเขานัเราเฉย ไ, ราายไม่ได้เราแถ่เมตตาให้ก็ได้แล้วก็ไปถ้าเรายังเฉยไม่ได้อยงางแผ่เมตตาไม่ได้เห็นเล่าเกิดอารมณ์ขวดเกลียอนขึ้นมาก็อยากพึ่งไปแยกทางกันไว้ก่อนดีกว่ากลับไปฝึกวิชาให้มันมีแรงก่อนมีกําลังก่อน พอเรามีกำลังแล้วเราจะไปเจอเขาก็เราก็แผ่ได้ตามว่าช่วงนี้เจอเขาเราก็วังได้เยอะค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ไปปฏิบัติทางเขาเลยว่าเราจะไปดีหรือเราจะอยุดีอ๋อที่อื่นก็มีไปไม่ต้องไปที่เดียวกันก็ได้เวะเทไทยมีวัดที่ปฏิบัติเยอะแยะถ้าเกิดเราไม่ไปยอมไปชิญนะเราก็จะต้องหลบหรือจลอกเนี่ยอ๋อหลบเฉพาะช่วงนี้ท่านเงช่วงที่เราไปเสริมสร้างพลังอ่พอเรามีพลังแล้วต่อไปไม่ต้องหลบใครทั้งนั้นนะ อยู่ที่ไหนอยู่กับใครเจอใครนี่ใจจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวถ้าเรายังหวัอนไววอยู่ก็อย่าเพิ่งเจอกันดีกว่าพระพุทธเจ้ายังต้องหลบไปอยู่คนเดียวหกปีได้กันไปสร้างพลังจิตกันเพราะจิตมีพลังที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วทีนี้ท่านก็ไม่หนีแม้แต่เทวทัตจะมาปองพระชนมาพระชนชีพถึงสามครั้งท่านก็ไม่หนี พ้าอนุนยังเคยชวนให้พระพุทธเจ้าหนีเลยบอกอยู่ตรงนี้มีแต่เรื่องอพระเจ้ า, าบอกแล้วไปข้างหน้ามันจะไม่มีเรื่องนะก็ะ <c oughs> คิดว่าถ้าเกิดว่าหนไม่ยอมชิญหน้าหนูก็ต้องลดดหลบหีตลอดเวลานก็เลยว่าวามแบบขอคนแ น, นะนาอรถ้าเรามีพลังจิตที่จ ะ, ะเผชิญหน้าได้ก็ไม่ต้องหนีแต่ถ้ายังไม่มีแล้ว พอเจอกันแล้วต้องไปทุกตีกันก็อย่าอย่าเพิ่งเจอกันดีกว่าให้ถึงขนาดนั้นก็ค่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เรื่องใแรงถึงขนาดนั้นก็แค่เพียงแต่ว่าทําให้จิตใจเราไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่บริสุทธิ์งเงี้ยเอ อ, เ อ, อหนก็คิดว่าถ้าหนูไปเจอเขาหนูอาจจะทําได้ะ <c oughs> ะอะไรก็ลองดูก็ดีเจอพอมันเป็นข้อสอบของเราใช่ไหมเราก็คิดถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราน่าจะโอเคได้ใช่ ทุกอย่างเป็นข้อสอบบทความทุกทุกชนิดนี่เป็นข้อสอบบทที่เราจะต้องทําให้ได้ถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไร <c oughs> ล้วความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่ใจเราเองเราไปเกลียดตขาเอง <c oughs> เราไปคิดเอง <c oughs> ถ้าเราไม่เกลียดเขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่อืมพ <c oughs> <c oughs> ยายามไล่ดูแตอว่าณในในตัวเขามีอะไรที่เราไม่มีบ้าง แล้ว เ, เกลิศผมเขาแล้วเราไม่เกลิศผมเราเลยผมเขากับผมเรามันไม่ต่างกันนะเราเกลิศตรงไหนลองไล่ไปดูเลยเกลิศที่หนังเขาเลยหนังเขากับหนังเรามันต่างกันตรงไหนมันก็เป็นหนังเหมือนกันลองใช้เหตุผลไล่ไปดูแล้วมันก็จะเห็นว่ามันมีอะไรน่ากเกลยศเขามีอะไรเราก็มีในเมื่อเรารักของเราเราจะไปเกลิศของเขาได้อย่างไร ทำใจสงบแล้วมันจะไม่มีปฏิกิริยาปัญหาคือใจเราไม่สงบก็เลยว้าวุ่นเวลาเราคิดจะไปเราไปจะไปเจอเขาเนี่ยเราจะทําแบบไหนแต่ถามมาเรื่องไรแรงมันไม่ใช่คือมันเหมือนขุนใจให้เราไม่สบายใจเฉยๆเราพูดทัวรไปได้เรื่อยๆไหมล่ะถ้าเจอใครก็พูดทัวพูดทัวร์ไปแต่ดูว่าตัวเองดีขึ้นเยอ ก็เลยอยากว่าถ้าเราหลบก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ไห ม, มแต่ถ้าเราลองสู้ดูสู้ทางธรรมดูเราอาจจะผ่านไปได้ก็ดีถ้าคิดว่าพร้อมก็ลองไปทำข้อสอบดูสอบไม่ผ่านก็เป็นเวลาคราวหน้าก็สอบใหม่ได้เห <c oughs> มือนเด็กที่เขาสอบเอ็นทันปีนี้สอบไม่ได้ปีหน้าขาก็อสอบใหม่กลับไปทำการบ้านใหม่กลับไปติวใหม่ไปดูดูหนังสือใหม่แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ไปสอบ เดีย๋ยวมันก็ได้อยเางนะชนะใจนะไม่ใช่ชนะผู้อื่นพระเจ้บอกว่าชนะตนนี่ดีกว่าชนะผู้อื่น ช, ชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็สู้ชนะต น, นไม่ได้เพราะชนะผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทตามมาเราไปชนะเขาเขาก็จะเกลียดเราโกรธเราเขาชนะเราเราก็จะไปโกรธไปเกลียดเขา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 เราสุกแล้วที่นี้เราก็ อ, อยู่บนเขาได้ให้าภาัยได้ไหมก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราไปหยุดจุดนั้นอ่ะซักพ้อมันใส่แล้วเราจะเอาไหวไหมก็เลยว่ า, าก็ลองดูก็ลองดู <c ười> แลถ้าเราเตรียมตัวอย่างนี้เรบลองทําแล้วผ่านแน่ <c ười> แนเพราะเรารู้เแล้วเนี้ยว่ามั <Keys. S 1> านมันจะมาอย่างไรก็แรกก็ไม่รู้หรอกแล้วมาตลอดแต่ใจเราอยากไปถือถึงจุดนั้นเลย กลัวกลเขาจะมาพลิกแพงอีกรูปแบบนึงเราเตรียมรับท่านี้ก็มาท่านเขพลพิกแพงาแล้วก็ถอยตั้งหลักก่อนนี่กับเด็ก น, นักเรียนพยายามเตรียมทำข้อสอบข้อนี้อ า, อ, อาจารย์ไม่ออกข้อเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วจะ้ะ ปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่เราอยู่ที่ความความอยากของเราทั้งนั้นเอง <pe at? S 2> ถ้าเราตัดความอยากได้แล้วเราจะอยู่กับใครก็อยู่ได้ <an> <t ose> ที่เราอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นไปตามใจอยากเราก็เลยโกรธเขาเกลียดเขาเลยทาให้เราอยู่กับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเขาจะทําังไงเราก็อยู่กับเขาได้เหมนปัญห <an> <t ose> าไม <an> ่ <t ose> ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เรา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 อ่าดึงไปไม่ได้เป็นเหมือนหินห็นนี่ถ้าเป็นหินนี่ต่อให้มีพายุมาพัดมันก็ไม่ขยับแต่ถ้าเป็นปุยนุ่นนี่ลมพัดมาเบาๆ ม, มันก็มันก็ลอยไปละใจที่ไม่มีสมาธินี่เหมือนเหมือนปุยนุ่นเหมือนสำลีพอลมพพอลมพัดมาเบาๆมันก็ลอยไปละใจที่มีสมาธินี้เป็นเหมือนหินใจที่มีสตินี้เป็นเหมือนหิน มันจะหนักแน่นจะไม่มีใครที่จะมาขย่าวขวัญใจได้ดันพยายามฝึกสติให้มากสำคัญมากทำทั้งปวงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการมีสติเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดการหลุดพ้นการทาข้อสอบต่างๆก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามีสติแล้วต่อไปจะทาข้อสอบได้หมดจะอยู่กับใครที่ไหนก็ได้ ร่างกายจะเป็นจะตายก็อยู่กับมันได้พยายามฝึกให้มากพุทธเจ้าสอนให้ฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยทุกเวลานาที่ได้ทุกอิเดียบทของการเคลื่อนไหวอย่าอยู่โดยปราศจากสติเป็นอันขาดให้มีสติและเล็กรู้อยู่ในปัจจุบันเสมอให้รู้อยู่กับพุโทโธก็ได้ได้ยอยู่กับการเคลื่อนไหวของการของร่างกายก็ได้ในทุกอิเดียบทเดินก็รู้ว่ากำลังเดิน ไม่ใช่เดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้นี่แสดงว่าไม่มีสติถ้าเดินต้องอยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวถึงจะเรียกว่ามีสติฝึกไปทําได้ทุกคนอถ้าทําแล้วมันก็จะปรากฏผลขึ้นมาถ้าไม่ทํามันก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติแล้วใจก็จะนิ่งจะแน่นจะมั่นคง จะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆอันนี้ก็อาจารย์จะขาของอกาสจะเรียนถามเจ่าค่ะอย่างคนบางคนนะเจ่าค่ะถ้าหากเขาเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเขาอาจจะยังไม่มีอายุแก่แล้วค่ะหรือบางคนก็แก่แล้ว ปรากฏว่าพอหลังๆก็ไม่สบายก็จะไม่รู้สึกตัวพูด ก, ก็ไม่ได้เจรจาหรืออะไรก็ไม่ได้หมดเลยอย่างนี้เขาจะรู้สติทางแม่เจ้าพาแล้วเวลาหากจะสิ้นลมเขาจะไปดีหรือไม่เจ้าพาคือจะมีสติแล้วก็กําหนดใจไปได้อย่างไรได้คะคือสติเขานี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติของเขาอยู่ที่ใจยา น, นไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่มาเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสติของเขา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 มันจะขึ้นสูงเลยมันจะลดลงเลยเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนอบรมในการจเจริญแดูแลรักษาสติ ม, มันไม่ได้เสื่อมไปตามความเป็นไปของร่างกายร่างกายจะจําอะไรไม่ได้สติก็ยังมีอยู่ ม, มีอยู่เท่าเดิมคือตอนนี้โยมมีสติขนาดไหนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปสติของโยมก็ยังมีอยู่เท่าเดิม เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรได้ได้านต่างๆได้เพราะร่างกายมันไม่รับคำสั่งจากจากใจ mm hmm. ถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายนะ mm hmm. ทีนี้เรื่องของความจำนี้ก็มันมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับร่างกายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับใจใจนี้ท่านก็ว่ามีความจำความจำนี้ก็มีเสื่อมได้เหมือนกัน mm hmm. จำชื่อคนนั้นจำชื่อคนนี้พอนานๆไม่ได้เจอกันมันก็ลืมได้อันนี้ไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันบ่อย ๆ, อยๆเขา้ามันก็มันก็ลืมไปเท่านั้นเองเช่นเราไม่ได้เจอกันนานๆบางทีจําจําหน้าได้แต่จําชื่อไม่ได้ก็มีอันนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทบทวนชื่ออยู่เรื่อยๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เราเรียกชื่อเขาอยู่เรื่อยๆเราก็จะจําได้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 ถ้าเราไม่มีความอยากเวลาร่างกายแก่ก็เราก็จะเฉยๆเหมือนตอนนี้เวลาร่างกายเจ็บใจแล้วก็จะเฉยๆตอนตอนนี้เราไม่มีความอยากปัญหาของใจข้อสอบของใจก็คือความอยากกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วยอมรับความจริงได้ความอยากมันก็จะหยุดเพราะมันรู้ว่าอยากไปก็ป่วยการเปลร่า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 ผู้คิดผู้รู้เนี่ยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นเหมือนคนรับใช้หรอแล้วมันก็ต้องหมดอายุของมันไปสักวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนคนใช้ใหม่ทั้งนี้ร่างกายนี้ตายไปถ้ายังอยากจะมีคนใช้ใหม่ก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็กลับมาทุกขกับมันใหม่เพราะมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใหม่ดี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 เป็นความสุขที่ดีเพราะมันถาวรมันไม่มีวันหมดเหมือนกับไม่เหมือนกับความสุขของทางร่างกายเดี๋ยวแกล่ล้วแก่แล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วจะดูก็ดูไม่รู้เรื่องตาโมฟังก็ฟังไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้ามีความสุขทางใจไม่เดือดร้อนเข้าไปในสมาธิได้ตลอดเวลาเข้าไปในความสงบได้ตลอดเวลาอย่าถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องมาเปลี่ยนคนใช่อยู่เรื่อยๆก็อัจช่ว อาพึ่งตัวเองท่านบอกอันเนี่ยให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาถุตนที่เป็นที่พึ่งของต น, นให้หาความสุขในตัวของเราเองเนี่ ย, ยความสุขที่เราเราอยู่นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเนี่ยลองทำดูพอได้แล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ นั่งสมาธินะเจ้าค่ะนั่งเพื่อนิ่งหรือว่านั่งแล้วเราพิจารณาดูจิตของเราไปด้วยเจ้าค่ะนั่งในเบื้องต้นให้นั่งเพื่อนิ่งก่อน<ม>ให้จิตสงบให้มีความสุขก่อนเมื่อมีความสุขแล้วขั้นต่อไปก็มาแก้ปัญหาของใจปัญหาของใจก็คือความอยากให้คอยดูว่าเวลาเกิดความอยากเราต้องหาวิธีกําจัดมันให้ได้<ม>สิ่งที่จะกําจัดมันได้ก็คือปัญญาปัญญาคือเหตุผล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 ไม่ต้องหาห่วงเพิ่าไม่ต้องหาทุกมาแบกอะ่รเงี้มันก็จะปล่อยวางเนี่ยคือแก้ปัญหาต่างๆที่มีในใจให้ได้หมดเลยแต่ก่อนจะทําได้ต้องมีความสงบก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีทางเลือกไงถ้าเราไม่มีสามีเรายังมีความสงบเป็นทางเลือกได้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราไม่รู้จะเลือกอะไระถ้าไม่เลือกคนนี้ก็ต้องเลือ ก, อกคนหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องทำสมาธิให้ได้ ถ้ามีสมาธิมีความสุขใจแล้วที่นี่ไม่เดือดร้อนแแต่ความอยากมันยังไม่ตายมันยัจะโผล่ขึ้นมาได้พอมันโผ ล, ล่เราต้องใช้เหตุผลสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากทำแล้วจะทุกข์มากกว่าสุขพอเห็นด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราพิจารณาอนาโกติยตา ม, มาเราก็จะเห็นเหตุเราก็จะเห็นเหตุเ ห, เห็นผลทันที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 เดี๋ยวสามีก็ต้องจากเราไปหรือภรรยาก็ต้องจากเราไปแล้วเราจะอยู่กับใครเราแก่เราไปหาสามีใหม่ได้ไหย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรามีความสุขใจเราก็ไม่เดือดร้อนฉ <c oughs> นั้นหัดทาหาสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน <c oughs> ให้มีความสุขให้มีทางเลือกก่อนเมื่อเรามีทางเลือกแล้วทีนี้ เราก็ใช้เหตุผลพิจารณาอันไหนดีกว่ากันท่านน้ำหนักเอาสามีดีกว่าด้วยความสงบดีกว่าความสงบดีกว่าก็ยกสามีให้คนอื่นไปเลยเาทยานี้ทั้งนา้นนักบวชพระพุทธเจ้าก็ยกภรรยายให้ใครยาวไปก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรถ้าเอาความสงบดีกว่าท่านยังได้เป็นพระพุทธเจ้า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 เหตุผลคือสิ่งที่เราอยากได้มันดีหรือไม่ดีดูเปนจริงๆดูว่าเห็นมันชัดๆมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามแค่นี้ดูก็รู้มันเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมคือดูตรงนี้พอเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันต้องเสื่อมก็อย่าไปเอามันดีกว่าก็จบก็กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าแต mm hmm. ่นักปฏิบัติบางคนปฏิบัติแล้วสับสนเพราะไม่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติ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 จิตสงบเพียงวินาทีเดียวก็จะมีความความสุขจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้มาก่อนแล้วก็จะรู้ว่านี่เนะ่ะคือความสุขที่พระเจ้าพูดถึงมีเพียงแต่ว่ามันปรากฏเพียงเดียวเดียวขั้นต่อไปก็คือต้องทำให้มันปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆยาวขึ้นไปเรื่อยๆจนให้มันปรากฏตลอดเวลาให้ได้อันนี้คือเป้าหมายของผู้ปฏิบัติหลังจากที่ได้พบกับความสงบครั้งแรกแล้ว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 พลวมันจะขาดตอนไม่ถ้าถ้าถ้าสับประงกตแสดงว่าหลับอ่ออสติเราอ่อนเนี่ยมันไม่มีกาลังพอถ้าสงบจริงๆมันก็เหมือนนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเพียงมันจิบมันก็เนิ่งไปเฉยๆ่นันเองมันไม่กสับกตยง้สึร่างกายจะขงรงก็ถ้าเราสงเราก็จะไม่ได้ผลเนี่ย ถ้าเราอยากจะได้ผลแล้วต้องมีมาตรการแก้ปัญหาเรื่องความศกสับประ ก, ก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ในป่าช้านั่งไปอยู่ที่น่ากลัวมันก็จะไม่สับประกแล้วถ้าไม่กล้าไปที่หน้ากลัวก็ต้องอดอาหารเพราะเวลาหิวมันก็ไม่ง่วงเ <c oughs> นี่ยคึงว่าต้องถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยบวชภาวนาให้รับประทานน้อยๆมันจะได้ไม่นุไม่ง่วง เลยถา ง, ง่วงก็ไม่ง่วงนานเชนกินข้าวอีกใหม่ ๆ, ๆมันก็จะง่วงแต่เพียงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายไปละแต่เดี๋ยวมากินอีกมือ้อนึงเดี๋ยวมันก็ง่วงใหม่อีงนั้นถ้าอยากจะได้ผลจากการภาวนาไม่มีอุปสรรคต้องยอมทุกข์ทางร่างกายยอมอดอยู่แบบอดอดยากๆหรือไปอยู่ในที่หน้าหน้ากลัวพระท่านไปชอบไปอยู่ในที่หน้ากลัวเพื่อจะได้แก้ปัญหาเรื่องของความง่วง บางท่านเนี่ยท่านบอกท่านต้องไปนั่งที่ปากเขวเลยถ้าจับปะงกมันจะได้ทิ่มลงไปในเขวพอมันจะรู้มันจะตกเขวมันไม่ง่วงอะมันไม่จับปะงบ <laughs> หรือบางท่านก็ไปนั่งตามที่มีมีเสือเดินผ่านไป ผ, ผ่านมาพอท่านรู้ว่ามีเสือมานี่มันจะไม่ง่วงไม่ง่วงแต่ตอนนี้ราเกิดความกลัวขึ้นแล้ความกลัวก็ใช้ปัญญาแก้หรือใช้สมาธิแก้ไป <laughs> บางท่านก็ใช้พุโทโธเวลาเกิดความกลัวก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไป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 คิดเสียว่ายังไงก็ต้องตายจะตายแบบไหนตายแบบตายแบบมีธรรมหรือตายแบบไม่มีธรรมตายแบบมีธรรมก็ตายแบบสบายตายแบบสุขกโตตายแบบไม่มีธรรมก็อาจจะตายแบบเปรตตายแบบผีอาจารย์คะอย่างเราจะมีสติมีวิธีอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าคะเห็นบางทีเขาแนะมาว่า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 ที่สติในระดับปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาถ้าจะคิดก็ต้องหยุดต้องนั่งเฉยๆแล้วคิดด้วยสติคิดแบบมีขอบมีเขตไม่ใช่คิดแบบเรื่อยเปื่อยคิดแบบเพเจอร์อย่างนั้นก็ไม่มีสติตอันนัเราวงความคิดไม่ให้ความคิดจอนที่ไร้สาระแทรกเข้ามาเข้ามาให้ใจว่างวความว่าง เวลาใจไม่มีความคิดมันสบายพอมันคิดแล้วมันวุ่นคิดถึงเรื่องนี้เรื่องเสียนันก็วุ่นนะทั้งๆ ท, ที่นี้เสียนันก็ยูมีอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมตอนที่ไม่คิดก็ไม่วุ่นในชะ่แต่พอไปคิดปั๊บมันก็วุ่นขึ้นมาทันทีงั้นอย่าไปคิดมันเวลาเจอปัญหาถ้าไม่คิดปัญหามันจะไม่เข้ามาในใจเรามันจะอยู่ข้างนอก แล้วเราไม่ต้องคิดวางแผนอะไรในชีวิตเลยเหรอท่าวางไปเลยถ้าวางทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ในที่สุดก็ตายไปให้คิดอย่างนี้แช่ไหะมี่สีนมีมากน้อยเท่าไหร่ตายไปมันก็จบไม่ใช่หรือแต่เราก็ต้องมีชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเจริงๆเป็นปุตรชนเราก็ต้องวางแผนพอเมื่อแผนจบเราก็มาพุทโธใหม่ใช่วางแผนรู้ว่าเราต้องทําอะไรก็พอแต่ไม่ใช่มานั่งวิตกทั้งวันทั้งคืนว่ามิเกิดความอยากอยากจะให้ปัญหานี้มันหมดไป แล้วมันไม่หมดก็เลยทำให้เราเครียดเมื่ อ, อ, อเราไปคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าปัญหามันต้องอยู่อย่อยางนี้ต่อไปก็อยู่กับมันไปอยอมรับกับสภาพเราเป็นผลสร้างมันขึ้นมาเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของมันไม่คิดทาร้ายสุให้เกิดสิ่งได้ร้ายกับตัวอย่างใช่ครับ <c oughs> ก็เคย คือจะคิดอะไรก็ได้ถ้ามันตรงกับความจริงคิดได้ใช่ว่มเราในที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วนี้สินปัญหาต่างๆมันก็หมดไปเอง <c oughs> แต่อยา่าฆ่าตัวตายเท่านั้นเอเพราะการคิดฆ่าตัวตายเป็นการทำบาปและไม่ใช่เป็นวิธีฆ่าแก้ปัญหาเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย <c oughs> ปัญหามันอยู่ที่ใจ <c oughs> ถ้าจะแก้ถ้าจะฆ่าต้องฆ่าปัญหาตัวที่อยู่ในใจคือความอยากอยากให้ปัญหามันหมด เมื่ราแก้ปัญหาไม่หมดแล้วก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วปัญหามันจะหมดมันไม่หมดหรอกปัญหามันอยู่ที่ความอยากให้ปัญหามันหมดอ๋อญ<ต>าตถามถ้าเกิดเราฆ่าตัวตายไปคนอื่นจะฆ่าตาัวเองคงไม่ฆ่าฆ่าตัวตายไปเนี่ยอกุศลกรรมจะเกิดยังไงเดี๋ยวพี่ตาอ๋อมันก็จะติดเป็นนิสัยไปไง่ายทุกครั้งเวลามีปัญหามันก็จะแก้ปัญหาแบบนี้เกิดมอกรีตภพกิริยาก็จะฆ่าตัวตายเวลาเกิดปัญหา อั่นหัวฆ่าค่าตัวตายครั้งนี้ครั้งนี้แลาก็จะต้องไปค่าตัวตายอีกหลายครั้งอเพราะมันจะแก้ปัญหาแบบนี้ไปทุกครั้งใช่ไม่สมัยนี้ควนพยายามหาวิธีค่าตัวตายกันไหมพยายามออกให้เขาออกกฎหมายมาเพื่อให้ค่าตัวตายได้อเพราะพวกนี้พอมีปัญหาไม่ยอมแก้ปัญหากันไม่ยอมเผชิญกับปัญหาจะหนีอย่างเดียวหนี้เดี๋ยวคราวหน้าก็ไปเจอปัญหาเดิม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 เวลาเรามาทําบุญกุศลจะเป็นทําทานหรืออะไรแล้วควรตั้งจิตอธิษฐานหรือไม่เจ้าคะหรือจะทําใจนิ่งปล่อยวางเฉยเฉยหรือควรอธิษฐานเจ้าคะคือก่อนจะมาทํายองก็อธิษฐานแล้วรู้เป่ะเราไม่รู้จากตัวเพราะคำว่าอธิษฐานก็คือความตั้งใจใช่ไหมก่อนจะมาทําบุญนี้ต้องตั้งใจมาก่อนนะใช่ไหมเวลาแสดงว่าได้อธิษฐานแล้ว อธิษฐานต้องแต่อธิษฐานที่เหตุไม่ใช่อธิษฐานที่ผลไม่ใช่ทาบุญแล้วขอให้ร่าให้รวยเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนจิจระดาอะไรเงยไม่เลยอาจไม่จะยกตัวอย่างให้ฟังอันนั้นไม่ใช่เป็นการอธิษฐานอันนั้นเป็นการขอทานออธิษฐานก็คือให้อธิษฐานที่เหตุเราต้องการทําเหตุที่ดีเพื่อผลที่ดีจะตามมาต่อไปอธิษฐานที่เหตุเช่นวันนี้อธิษฐานเราจะคุ้นขอให้เจอพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะ อันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดท <c oughs> างอธิษานทีน่ษานว่าจะมาเดินทางมาที่วัดนี้มาทําบุญทําทานถ้าเจอท่านก็ดีไม่เจอท่านก็ดีปล่อยว่างเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ที่เราทําได้แน่นอนก็คือเดินทางมาที่วัดให้ให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลที่สิ่งข้างนอกเหตุที่เราทําทานนี้เพื่ออะไรเพื่อละปัญหาความอยากได้เงินได้ทองใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุข แล้วก็จะเป็นทาตแล้วก็จะต้องพึ่งเงินทองไปตลอดตอนนี้เราต้องการที่จะมาเลิกพึ่งเงินทองฉะนั้นเงินทองที่เราจะพึ่งเราก็เอาไปให้คนอื่นเสียเพื่อเรามาจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้ามีเงินทองเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเมษาเนี่โรงเรียนปิดหลายวันก็จะไปทัวนนะร์กันลูกสาวทักนั่งเจ้าสาวถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านอยู่วันได้นั่งสมาธิได้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 น่แหละนี่คือเป้าหมายของการทำทานถ้าอยากที่ถานเวลาทำทานก็เจ้าประคุณขอให้ได้ทำบ่อยๆทำจนต้องไม่มีเงินเหลือเลยและเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วห า, าท่าว่าขอไปนิพพานเลยจะพาจะเวรไปไหรือเ่าขอไปไม่ได้ล่ะถ้าอยากจะไปก็ต้องทำทานให้หมดเนื้อหมดตัวถึงจะไปได้อย่างพระพุทธเจ้าต้องสละต้องสละหมดตัว อ, หอ่หมดสละหมดตัวแล้วถึงจะได้ไปบวชบวชแล้วจะได้ไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็ไปถึงนิพพานได้ เห็นได้จ า, ากจะไปน่พพานต้องตั้งอธิษฐานว่าขอให้ทำทานขอให้รักษาศีลขอให้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถึงจะถูกให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลมันเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุขอผลยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอยากจะอยากจะให้อิ่มก็ต้องกินข้าวต้องอธิษฐานว่าจะต้องกินข้าวทุกวัน ถ้าแม่ที่ฐานกินข้าวอธิษฐานก็ให้มันอิ่มไม่มีวันอิ่มหรอกถ้าไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเรามีความตั้งใจจะกินข้าวทุกวันไม่ใช่เนหะรอจากนั้นนั่นแหละก็มีอธิษฐานละ ว, วันนี้ก็ได้อธิษฐานแล้วเนี่ยคือความตั้งใจคําว่าอธิษฐานมันมีสองความหมายคือการขอกับความตั้งใจทางศาสนาพระนี้เราแปลความหมายว่าเป็นความตั้งใจ ทางภาษาทางโลกก็แปลว่าการขอขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แปลว่าอธิษฐานอา น, นอธิษฐานที่ถูกตามหลักธรรมต้องอธิษฐานด้วยการกระทำํำขอให้ได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลที่เราต้องการมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองขยายไหมอาจารย์ถามว่ามาแล้วก็จะให้ทางโลกกับทางธรรมไปพร้อมๆกันได้ ก็ได้ในระดับศีลห้าในระดับทําบุญทําทานกับรักษาศีลอยากได้อยากจะได้สูงกว่า น, นั้นก็ต้องแยกทางกันเพราะมันมันถึงทางแยกนะตอนต้นมันก็เป็นทางขนานกันถ้าอยากจะมีความสุขทั้งโลกอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดื่มแต่อยากจะตายแล้วไปสวรรค์ก็ทําทานรักษาศีลห้าไปก็จะได้ทั้งสองอย่างตายไปก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดใน ในในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมอยากจะไปนิพพานไปแล้วไม่กลับอันนี้ต้องแยกนะต้องไปเป็นนักบวชนักบวชกับกับนักบุญนี่อยู่คนละฝ้ากันละนักบุญก็คารวะญาติโยมผู้ครองเรือนรักษาศีลห้าทำบุญทําทานนักบวชก็ไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียว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 ก็ลองทํา <kull> ไปได้เช่นวันพระเราก็หยุดทําธุรกิจทางโูกหนึ่งวันแล้วเราก็มาทําธุรกิจทางธรรมหนึ่งวันเพื่อเป็นการเตรียมเตรียมออกเตรียมแยกทางต่อไปถ้าเราจะไปแบบไม่มีการซ้อมเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะไม่มีกาลังไปถึงเช่นเวลาเราแก่แล้วเราไม่ได้ทํางานทําการแล้วอยากจะไปทางธรรมก็อาจจะไปไม่ไหวเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ตอนนี้เช่นวันพระเราก็ไปทางธรรมหนึ่งวัน มันธรรมดาก็กลับมาทางโลกแล้วต่อไปพองานทางโลกหมดแล้วเราก็เราเคยทำงานทางธรรมมาแล้วเราก็จะได้ไปทำได้เต็มที่ทาได้ตลอดเวลาได้แต่ถ้าเราไม่เคยทำเลยเราก็จะรู้สึกมันยากก็จะไม่อยากทำาะั้นมันพาควรจะถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ถ้า ที่มันสงบไม่มีอะไรมาลบกวลนใจมามาลบกวลนการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมของเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราก็ต้องเริ่มฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้พอเวลาเรามีเวลาว่างจากทางโลกเราจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่เหมือนหัดไหว้น้ำไว้ก่อนพอถึงเวลาจะต้องไหว้เราก็จะได้ไหว้เป็น ไม่ใช่มาหัดไหว้นอนที่เราต้องไหว้มันก็ไหว้ไม่ได้มันมาหัดไหว้ตอนที่เรือจมอย่างนี้ไหว้ไม่ได้แล้วต้องหัดไหว้ตอนก่อนที่เรือจะจมพอเรือจมเราก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนเราก็ไหว้ของเราต่อไปได้ต่อไปร่างกายเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เราก็เลิกใช้ร่างกายแล้วเราก็มาใช้จิตใจหาความสุขแทนได้ มันั่งสมาธิได้มาที่ปฏิบัติธรรมได้ อ, อ, อ, อมันไม่จ ะ, มจะก้าวหน้าอ <c oughs> ใช่มันก้าวไปหาอะไรก้าวไปหาความทุกข์หรือก้าวไปหาความสุขอ่ะเราไม่ดูตรงนั้น <c oughs> ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากนะไ <c oughs> ม่ใช่มันจะสุขมาก <c oughs> เพราะมันทุกวันจะต้องจากกันมีเท่าไหร่ก็ต้องหมดมีมีเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดในที่สุด มีน้อยก็ทุกน้อยคนขอทานนี่ตายสบายกว่าคนนั่มรวยนอกจากคนนั่มรวยปล่อยได้ก็ตายแบบขอทานได้แต่ถ้าตายแบบขวงตายแบบเสียดายก็ตายแบบทุกข์ยิ่งมีมากยิ่งเสียดายยิ่งทุกข์มากไม่รู้จะให้ใครดีหามาถ้าเป็นแทบตายอย่างเมื่อวานนี่มีคนหนึ่งบอกว่าทำมากินเหนื่อยแสนยากแล้วต้องมาให้คนอื่นเขาเนี่ไม่อยากจะให้เลยอ่ะ ใช่ไหมเราหามาก็เพื่อจะใช้เะ็บเก็บไปถึงของเราใช่ไหแต่เราจะเก็บไปได้นานเท่าไหร่นั่นจะเอะมากเท่าไหร่หรอที่งีพอกินมันเท่าไหร่ก็คำนวณดูเลยกินให้มันน้อยๆสิเอามันเอามันถูกๆไป สมัยที่เราไม่ได้ก่อนที่เราจะบวชเราเคยอยู่แบบคาราวะอยู่แบบตั้งบวชปีหนึ่งเราใช้วันละห้าบาทเนี่ยข้ามื้อข้าวมื้อละห้าบาทเราก็อยู่ได้แนละ้วก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นชาละสองบาทข้าวมันไก่ข้าหมูแดงชาละสามบาทกินแค่นี้ก็อิ่มแนละ้วน้ำก็กินน้ำเปล่าไปถ้าเราปฏิบัติทำได้ต่อไปแล้วก็ไปอยู่วัดได้ หรือไม่ไ ป, ไปอยู่วัดก็มีคนมาเลี้ยงเราเองอ่ะถ้าเขารู้ว่าเรามีศีลมีธรรมเขาก็อยากจะเข้ามาศึกษามาหาความรู้จากเราอยู่ดียันไม่ต้องกลัวหรอกถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วไม่มีวันอดตายาพระพทธเจ้าไม่ได้อดตายในชะ่ไหมขอให้เราปฏิบัติแล้วมีมีมีผลตามมาท่านั้นแะแล้วเรื่องต่างๆมันจะมาเอง มันจะมีมากกว่าจะกระทั่งใช้ไม่ไหวดูแลไม่ไหวมันจะกลายเป็นภาระไปจะมากกว่าเล้วไม่ต้องกลัวเนะ่เรื่องนี้ถ้าจะไปทางนี้ขอให้กลัวว่าไม่มีธรรมนั้นนั้นจะน่ากลัวกว่าเพราะถ้าไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรตามมาแต่ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วทุกอย่างมันมาเองอย่างเราสมาทานศีลเนี่ยเราควรสมาทานที่วันหรือว่า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 ทำเลิกทำในสิ่งที่เราอยากทำสักวันสองวันไปการลงโทษอะไรอย่างนี้แล้วต่อไปนันก็จะไม่กล้าทำเพราะมันทำผิดแล้วมันจะต้องมีผลมีโทษตามมาแล้ว่งเรื่องของการสมาธิอย่างลงใจเนี่ยเวลาเรามดู า, า, เ, ร า, าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยนัเลยมีวิธีอื่นไหมครับก็มีการก า, า ร, ออราสวมนไปภายในใจก่อนก็ได้ สวดไปสวดมนต์ไปเดอบริการพุโทโธไปหรือท่องอาการสามสิบสองของร่างกายไปก็ได้ไปอ่าท่องพุโทโธ ร, รอว่าสวดมนต์ให้รู้ัไปที่คสวดให้อยู่กับคำสวดผู้เพุโทโธให้ใจมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หายฟุง้งานเพราะใจมันจะคิดสองเรื่องพร้อมๆกันไม่ได้ใ ช, ใช่ไหม ถ้ามันอยู่กับพูดโทอมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ยังต้องหาอะไรให้ใจมันมีมีมีงานทำไงถ้ามันดูลมไม่ได้ก็ใช้การบริกรรมไปใช้การสวดไปก่อนในท่านั่งนี่แหละในท่าหลับตาเนี่ยไม่ต้องลืมตาสวดมนต์ไปนั่งหลับตาในท่าสมาธิไปเลยเวลานั่งสมาธิแล้วจะดูลมมันไม่ยอมอยู่ก็ลองสวดอิติปิโสไป ถ้าไม่ชอบว e ิธีผสมเราชอบอาการสาท32ของร่างกายก็ใช้ท่องอาการสา32ไปก็ได้หรือท่องเกิดแก่เจ็บตายไปก็ได้เราชอบบทธรรมบทใดบทหนึ่งก็ท่องไปก็ได้แต่รู้เจ้าสอนว่าเราเกิดมาแเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ล่มพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นการ เป็นการท่องเหมือนกันถ้าเราท่องอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอไม่ฟุ้งล้วก็หยุดส่วนแล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อก็ได้ตอนนี้เราใช้ปฏิบัติพร้อมกับการทำงานในเมื่อิประจำวันได้หรือว่าว่างเว้นจากงานละแล้วก็มานั่งถ้าเราทำได้ควบคู่การทำงานได้ยิ่งดี <c oughs> <c oughs> เวลาทำงานก็คิดว่า ง, งานนี้ก็แค่แค่ตายนะตายก็จบแค่คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ ไ, ไปเครียดกับงานเพราะงั hmm. ้นมันจะลือไปว่าทำไปก็ทำเพื่อตายแล้วไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล mm ้ว hmm. มันก็จะทำแบบทาก็ได้ไม่ทำก็ได้ mm hmm. ไม่ไปเครียดกับมันมากจนเกินไป mm hmm. ทำเพื่ออยู่เท่านั้นเองอยู่พอตายก็จบ mm hmm. ทำเพื่อให้มีปัจจัยสี่เทนัความจริง แต่เรามีกิเลสมากก็เลยนอกจากปัจใจเสียแล้วยังมีตัณหาความอยากต่างๆอย า, อยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาอีกถ้าเราตัดจริงเรานี้ได้มันก็ไม่ค่อยเครียดกับการทํา ง, งานเท่าไหร่ทําไมเด็กๆ เ, เราเห็นเราเครียดกับการไปโรงเรียนมีค่าขน ม, มนเวลวไม่กี่ตังค์แล้วก็อยู่ได้แล้วแต่พอเราโตขึ้นมาความอยากมันก็โตมาตามกับความเจริญเติบโตของเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่เพิ่มขึ้นมันก็เลยต้องดิ้นรนหาเงินมากขึ้น มันก็เลยเครียดมากขึ้นนั้นหัดอยู่แบบมากน้อยสันโดษแล้วจะสบายมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ของสาหรับชีวิตก็คือปัจจัยสี่นั่นเองถ้ามีปัจจัยสี่นี้พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วสันโดษก็คือเย็นดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นปีนี้ได้กาไรทานี้ก็โอเค ปีปีหน้าขาดทุนก็โอเคมีขึ้นมีลงแล้วมันจะไม่ทุกข์อะไรมันจะไม่เครียด<ม>เอาแล้วะเนะี่ว่าพอสมควรแก่เวล า, ลวาอ่ขอให้ท่านนะจงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอง